เรพวกเราปฏิบัติภาวนากันมากๆนะครับเราจะพบว่าเรารเผชิญหน้ากับอุศักที่คาดไม่ถึงมืก่อนว่ามีแสงเลนอยู่ในเราเป็นความม่วงนอนความซึมก็คือซึ่งแต่ก่อนเราไม่ซึมเพราะเราอยู่ในเมืองเราหวังไส้ซึมเราก็ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราหลบเลี่ยงวันนี้รเราเผชิญนะครับผมเข้าใจดีว่าสิงนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง เพราะว่าเมื่อเราไปเชิญหน้าครับสมมุติว่ามีความซึมฤทธิ์เราจะถอยนะสักครู่เดียวในความซึมฤทธิ์นี่เองที่มันจะสวา่างขึ้นมีความสว่างมันจะสว่างนอกความมืดไม่ได้ครับมือเราเกดตะเกียงไม่กลางวันกลางวันไม่สว่างเข้าใจไหมครับความสว่างอันนี้ยมันต้องมืดก่อนแล้วเดี๋ยวสว่างเมื่อเราปฏิ บ, บัตินะครับเราจะค้นเพราะว่าเราเริ่มชื่อ ที่อะไรไม่เคยออกทุกรายเป็นอย่างนั้นที่ทผมมีประสบการณ์ร่วมด้วยในการพานามีหลายคนถึงจะร้อนใจมาหาผมผมปฏิบัติตามแนวที่อาจารย์บอกทำไมโง่งๆลงก็ไม่รู้ก็เพราะก่อน น, นั้นมันมัวฉลาดถึงที่พอเราเริ่มพานามันก็กัดกันไม่ให้ฟุ้งไปตามความคิด ม, มันต้องมืดก่อนมืดแต่ถ้าเราไม่เลือกรานะ มันจะสว่างขึ้นในความมืดเนี่ยแต่ปัญหาพอเรามืดแล้วเราขี้เกียจเราก็เลยมืด อ, อีกชั้นนึ่งคล้ายๆมืดแล้วก็หลับตาด้วยนอนเลยี้มันเป็นอย่างนี้ที่นีเราเฝาความรู้สึกตัวเราของาวยมา่ามืดไปตอนผมปฏิบัติช่วงหนึ่งที่วัดสนามน่ยผมเดินตาบลืะหล่ก็เดินไปเดินม า, าหลับครึ่งหนึ่ง มันเกิดอินสติงขึ้นมาแล้วที่เราปฏิบัติเพื่อถึงจุดอินสติงครับคือมันเดินเองผมนี่แกดูเอ้เมื่อกี้ไม่ได้ตัดสินใจนั้นเดินไปเดินมาแต่ก็หลับด้วยมันหลับอยู่ครึ่งครึ่งครับมืดมืดมืดแต่แล้วพอบางตอนมันสว่างวบวับวบวั บ, ว บ, ว บ, วบตรงนี้สําคัญมากต้องไม่เลิกลาที่จะปฏิบัติไม่ว่าอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าใมชทํากลางอุปสรรคนั่นเอง ความรู้แจ้งจะปรากฏถ้าไม่มีอุปสรร์นะคะความรู้แจ้งไม่มีเพาสิคนเมืองเขาพูดเลยนะมาบรบ ม, มีบาร ม, มีบมมุตกาเนีมมพูดนี้นั่นอย่างมเรากมืองเพียนสร้างบาร ม, มีแต่บาร ม, มีของเราจะได้โดยการนอนรอคอยรอคอยนไม่ได้มันต้องลงทุนกันเลยครับลงแรง บางทีตอนปฏิบัตินี่อาจจะนอนส้มเลยก็มี น, ะนอนหมดเลี่ยงหมดแรงดูใจเรืองแทบเหมือนยับคนกล้จะตาลคึมคิดอะไรก็ไม่ออกแล้วจิตที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ไม่มีก็เลยนอนดูเหมือนคนเจ็บป่วยเหมือนสัตท์ที่เจ็บป่วยนะี่อาการที่นี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อ ย, อยแต่ไม่ช้าไม่นานเลยคพอผ่านด่านแบงนีนะ้ชีวิตจะเริ่ม คล้ายมนบรรลุถึงคูณภาคแข่งหนึ่งเมื่อผ่านอุปสรรคตัวนี้แล้วเนี่ยอุปสรรคตัวนี้จะไม่กลับมาอีกเลยคล้ายเด็กๆเกิดมาแล้วออกหับคือถ้ามันไม่ออกหับนี่มันมันไม่ไม่ผ่านใช่ไหมครับผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เด็กๆเด็กๆออกหับนึกสาแต่โบราณเขาว่าอย่างนี้น อ, นนอีสุกีสายใช่ไหมครับ อ่านั่นเลยมันต้องผ่านทุกคนใช่ไหมครับแต่พอผ่านแล้วก็สร้างภูมิด้านฐานได้ตอนนี้เรากำลังสร้างภูมิต้านฐานเรากำลังเร้าอินสติ้งของเราที่เพื่ออยู่รอดเข้าใจไหมครับทุกรายเลยผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่ายี่สิบกว่า <c oughs> ป, ปีที่ผมเกี่ยวข้งของในสาเนี่ทุกคนมาปรึกษาคลายๆปฏบัติแล้วทุกคนโง่ทึบลงกนะ็ไม่แต่ไม่ช้าไม่นาน จะนคล้ยๆลอดผ่านอุโมงค์แต่ถ้าเราไม่ถอยนะครับมาถึงจุดหนึ่งเราลุึงปากกระมองใช่ไหมปากกระมอ์อีกด้านหนึ่งคล้ายๆมีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงสว่างอันนี้เองครับที่เรียกว่าพุทธะบ้างโพธิบ้างความตื่นบ้างความแจ้งฉานบ้างปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับเรารับมีครับ หรือเพชรเราเจียรนายเพชรความแวววาวของเพชรมีอยู่แล้วในเนื้อเพชรแต่ว่าเพชรที่ไม่ถูกเจียรนายนี่มันก็คล้ายหินหินข า, ขาวๆใช่ไหมครับแต่พอเราเจียรนายถูกช่างเจียรนายที่ฉลาดเพชรก็ส่องแสงขึ้นมาช่างเจียรนายไม่ได้เติมแสงไม่ได้เติมอคุณสมบัติของเพชรให้นะครับทำไม่ได้ครับ ดันั้นสภาพจิตใจของเราเนี่ยชีวจิตใจนี่มันมันเป็นอยู่แล้วแต่มันมืดทึบแบบนี้บนนแบบเจรไนเราก็มังเดินไปเดินมาที่ว่ายกไปยกมือไปเอามาือมานีครับมันจะเสียวฟอบฟอ บ, บเหมือนกับเราลับมินะครับวามเสียวจะปรากฏขึ้นเป็นปริมาณพลแผ่กว้างจนกระทั่งทั้งตัวพยกลมกกรู้สึกไปหมดทั้งตัวตั้งแต ตีนผมจนป่าทางหรือกับพิจารนะมันเหมือนกับพิจทั้งตัวหรือคิดไปทีหนึ่งพอรู้แล้วมันรู้ทั้งหมดเลยพถึงระดับนี้เป็นนั้นว่าเราผ่านด่านได้แล้วเราเก้าไปสู่สภาวะของซีวิตใหม่ซึ่งตัวเองมีสังเกตได้และผู้อื่นพอสังเกตออกว่าคนคนนั้นเปลี่ยนไปได้วและเปลียนที่มูลฐาน ไม่ได้เปลี่ยนแบบที่ว่าเที่ยวเตยเฮฮาสมเนทเทมองลุ่งชาวโกลหัวออกเป็นบาทเลยนี่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอันนี้เปลี่ยนโดยภายนอกอันนี้เปลี่ยนโดยภายในเรื่อความเป็นพระนี่เองปรากฏขึ้นในดวงจิตดวงใจเท่านั้นแหละแล้วมีไม่มีวันดืมเลือนเรากำลังปลุกธรรมชาติแห่งความเป็นพระให้ตื่น โดยภายนอกเราเป็นโยมเราต้องรู้เดี๋ยวไปเข้าใจว่าเห็นพระเข้าเราไปสนใจในนั้นตุเพนีวัตเตอร์ธรรมแต่ว่าพอหัวใจเราตื่นเราจะรู้ว่าเราเป็นพระเราเข้าถึงพามันพระพระนั้นแปลวู้ปรเสริฐเราเข้าถึงพภาวะที่ประเสริฐในตัวเองก็เอาเทานีนับวันนี้เอาเทานี้